ใครๆก็รู้มาก่อนว่าหล่อนช่งน้ำหน้าไม่กินเส้นกับพรานนาทางจะมาชื่นชมด้วยง่ายๆเป็นเรื่องน่าอายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายตาของพี่ชายและเพื่อนฉันเชื่อมือเขาเฉพาะเหลี่ยมคูในเชิงพรานหล่อนตอบตรงข้ามกับหัวใจน้ำเสียงยิงอยู่เช่นนั้นแต่จะให้เชื่อไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็กระไรอยู่อย่างน้อย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 สิ่งที่จะตัดสินใจทำลงไปย่อมได้ผลอันรอบคอบรัดกุ่มที่สุดดีกว่าจะคล้อยตามถ่ายเดียวเพราะมัวแต่หลงเชื่อแต่ฝีมือความผิดพลาดมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ง่าย <S <S <S <S เหตุผลของเธอก็น่าฟังอยู่แต่จะว่าอันที่จริงแล้พินก็ไม่เคยทำอะไรลงไปโดยพระรักการเชนิดที่ไม่บอกพวกเรารู้เลยเมื่อเกิดปัญหาใดๆขึ้นเขาจะนำมาปรึกษาเราเสมอและคอยรับฟังเราเป็นหลักใหญ่ ยกเว้นกรณีที่เราโยนหน้าที่ตัดสินใจให้แก่เขาเท่านั้นเขาปฏิบัติตัวเป็นลูกจ้างของเราได้เหมาะสมควรแก่ฐานะอยู่แล้วกล่าวจบชายยันชูมือขึ้นดีดแรงๆแง่าสายผู้นั่งอยู่ริมกองไฟใหญ่หน้ากระจมเป็นประจำก็เหลียวมาแล้วรีบรุกขึ้นเดินตรงเข้ามาหาเมื่ออดีในายทหารปืนใหญ่กวักมือเรียกบอกหน่อยแง่สายเดี๋ยวนี้พวกเราจะวางใจขยินและพวกกรมช้างทั้งหมดนี้ได้แค่ไหน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 หญิงสาหัวเรอะเบาๆยกมือขึ้นกอด อ, อกถ้าฉันเป็นพรานใหญ่ระพินแล้วก็ฉันจะเอ็นดูเธอให้มากๆทีเดียวแง่ทายาเธอเลื่อมสายศรัท ธ, ธาและให้เกียรติเขาอยู่ตลอดเวลาแต่ฉันเห็นเขาไม่ค่อยจะกินเกลียวกับเธอเลยนี่คนใช้ชาวดงยิ้มกว้างอยู่เช่นนั้นตอบด้วยเสียงกังวาลแจ่มใสถ้าผมเป็นผู้กอง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 แง่าสายถอยกลับไปนั่งคุมผ้าอยู่ริมกองไฟตามเดิมร่างหนึ่งที่เฝ้าจับมองอยู่เงียบๆก่อนแล้วก็เคลื่อนออกจากเงาไม้เข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าชาวโดงพระเนจรวาระนั้นเดือนแรมจัดเพิ่งจะโผล่พ้นเหลี่ยมเขาสาแสงซีดๆลงมาอาบราวป่าและหมู่บ้านรลงช้างแลเห็นไปเงารางๆขาวสลัวอยู่ทั่วไปน้ำค้างกลั่นตัวเย็นช่าโปรยชุ่มไปทุกกิ่งใบพรึก มันเป็นคืนที่แสนจะหนาวสซาสถานสวงอีกคืนหนึ่งตาคุ่กล้วเฉียบจับนิ่งประสานมายังดวงตาเฉยเมยอมพนาที่เหลือบขึ้นสพโดยมีกองไฟกั้นกลางแล้วฝ่ายที่นั่งอยู่ก็หลบต่ําลงไปจับอยู่ที่เปลวไฟในกองร่างอันใหญ่โตตะงานงามราวกับนักรลกโบราณนั้นห่อตัวต่ําลงไปอีกภายใต้ผ้านวมคู่ชีบผืนบางเก่าข่ํำข้าสีครํา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 ชื่อของแกที่ชื่อว่าแง่ทรายใครเป็นคนตั้งให้ผมไม่ทราบเท่าที่จําได้พระธุดงองค์ที่อุปการรผมมาท่านเรียกเช่นนี้คําว่าแง่ทรายมันไม่ใช่เป็นชื่อของกะเหลี่ยงแกเองก็ต้องรู้ดีอยู่แล้วครับผู้กองผมรู้แง่ทรายเป็นชื่อของพวกทวายบางทีอาจได้ในข้อที่ว่าพระธุดงองค์ที่เลี้ยงผมมา ท่านเป็นพมา่าผสมทาวายและท่านเป็นคนตั้งชื่อให้ผมต่างเงียบกันไปชั่วขณะพระจันทร์ข้างแหลมรอยสูงพ้นยอดไม้ขึ้นมาทุกขณะลำแสงสกาวสาดลงมากระทบน้ำค้างที่เกาะพราวอยู่ตามใบไม้ส่องประกายสะท้อนราวกับรุ้งเพชรสายตาของหนุ่มพนเจนจรชาวดงเงยหน้าขึ้นไปจับดูเดือนเว้านั้นด้วยอาการเลื่อนลอยยากที่จะอ่านความคิดได้ถูก เมื่อกี้นี้นายหญิงกับนายทหารปืนใหญ่เรียกแกเข้าไปพูดเรื่องอะไรแล้วพินถามต่อมาถามว่าพวกเราจะไว้วางใจขยินได้สักเพียงไหนแล้วแกตอบว่าไงผู้กองไว้ใจขยินได้แค่ไหนทุกคนก็สามารถไว้ใจขยินได้เพียงนั้นพวกเจ้านายเชื่อแกมากกว่าเชื่อฉันแย่สายสันศีรษะ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 กล่าวจบเจ้าหนุ่มผู้ลึกลับก็ก้มศรีรษะยังอ่อนน้อม ง, งดงามให้เขาอีกครั้งพรานใหญ่หน้าแดงรู้สึกตนเองว่าได้พลาดท่าเปิดช่องว่างให้เจ้าชาวดงพเนจรย้อนลำเอาได้วาทะอันซ้อนความหมายหลายชั้นเข้าให้เสียแล้วฟังแต่ผิวเผินมันก็เป็นคำสุภาพกอบไปด้วยความคารวะยกย่องหากฟังให้ลึกมันบาดหัวใจสแสลงหูพิกเขาคอแข็งเป็นนาน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 เขาเย็นลงได้ทันใจดีเหมือนกันในเมื่อรู้ว่าออกบทโกรธขึ้นไปเท่าใดฝ่ายตรงข้ามก็ยิ้มเยาะมากขึ้นเท่านั้นผู้กองย่อมรู้ดีว่าผมไม่บางอาจถึงเพียงนั้นรู้ไหมว่าฉันกําลังคิดอะไรอยู่ในขณะนี้ทันทีนั้นเขาก็ถามขึ้นอย่างพรวดพลาดแต่น้ำเสียงทีเล่นทีจริงแง่า ย, ายก็ยิ้มบ้างและตอบในอาการเดียวกันว่า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 ทั้งทาที่ฉันก็ไม่ไว้ใจแกมาตอดเวลาเหตุไรฉันจึงยอมให้แกเดินทางมาด้วยชาวดงพนเนจรพึกคึกครับสั่นหัวซุนฝืนท่อนใหญ่ที่ถูกกินล้าออกมานอกบริเวณเข้าไปในกองไฟไม่สงสัยหรอกครับทำไมผู้กองได้ลูกหาบหรือคนใช้เพิ่มขึ้นมาคนหนึ่งสำหรับการเดินทางเสี่ยงตายครั้งนี้อย่างน้อยที่สุด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 ก็เห็นรอยยิ้มน้อยๆผุดขึ้นที่ริมฝีปากนั้นพรางเมินไปย่งกองไฟเสียนักรบนักร่อนเล่พนเนจรพรานและลึกลงไปกว่านั้นแกยังเป็นนักปัจชญาอีกด้วยแง่ า, ายฉันภาวนาขออย่าให้แกกับฉันต้องไปฆ่ากันทีหลังเลยแง่ า, ายคงยิ้มอยู่เช่นนั้นเป็นยิ้มที่เขาแสนจะหงุดหงิดชิงชัง เพราะมันตีความหมายไม่ออกแสงไฟในกองสาจับผิวหน้าเป็นสีแดงเรือมันละเลื่อมเป็นเงาประดุดหุ่นทองแดงแลดูราวกับรูปปั้นของเจ้าชายในนิยายเทพกรีกโบราณพิสดูแล้วรพินก็ปฏิเสธตนเองไม่ได้ว่าเขาจะไม่พึงพอใจในบุคลิกท่าทีของเจ้าแงสายผู้นี้สมมุติว่าครั้นแล้วรพินเอ่ยขึ้นแผ่วเบาโดยที่ตนเองก็ไม่ตั้งใจ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 ที่จะนำเราไปสู่เทือกเขาพาศิวะได้ถ้าลาทเจ้าผู้กองเสียขบวนของพวกเราก็ถึงการพินาศหมดแต่จะอย่างไรก็ตามสมมุติว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงผมขอปฏิญาณว่าจะไม่ทอดทิ้งคณะนายจ้างทั้งสามเลยจนกว่าชีวิตจะหาไม่เรพินลุกขึ้นเดินเข้ามาตบไหล่กระเรียงร่างยากหนักนวงแล้วย่อนกายลงนั่งใกล้ๆยังกองไฟฝั่งเดียวกัน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 มิฉะนั้นก็เข้ามาในรัศมีใกล้เคียงที่เราพอจะตามมันได้มันใหญ่เหลือเกินมันเป็นตัวอย่างของสัตว์ดึกดําบันในนรกดําตามที่แกเคยเล่าให้ฟังมาก่อนแล้วเขาพูดออกมาอย่างหนักใจผู้กองวิตกอะไรหรือครับแง่าสายถามเบาๆมองดูขาวแน่วแน่มันเป็นครั้งแรกที่ทั้งกระแสเสียงและแววตาของแง่าสายบอกระพินได้ว่าออกมาจากความรู้สึกแท้จริง ผิดไปกว่าการลองเชิงอย่างเสียงหรืออมพนามเช่นที่แล้วมาฉันเกรงว่าอันตรายมันจะเกิดขึ้นกับพวกเราคนใดคนหนึ่งเสียก่อนก่อนที่เราจะฆ่ามันได้ทันงูเป็นสัตว์ที่ตายยากที่สุดเสียงของแง่ทายเหมือนจะพูดกับตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งงูยักษ์ตัวนี้ความยาวใหญ่ของมันจะทําให้เราลําบากมาก ในการส่งกระสุนเข้าสู่จุดตายอันเฉียบขาดโดยไม่ให้มันอารวาสแผงลิตใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนตายผมว่าแค่มันดิ้นปัดหางคนเข้าไปอยู่ในทิศทางนั้นก็คงถูกมันบทแหลกไปทีเดียวนี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดกันให้มากที่สุดเมื่อมันถูกยิงมันจะดิน้นอาจหนีหรืออาจสู้และในระยะกระชั้นชิดติดพันฝ่ายเราต้องโดนมันบทเอาบ้างแน่ๆโดยที่มันเองก็อาจไม่ตั้งใจหรือเจาะจง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 สมมุติว่าเรารู้ว่ามันแอบนอนอยู่ในหุบถ้าไหนย่มเข้าไปถึงตัวได้มันก็ไม่มีปัญหาแต่นี่เราเป็นฝ่ายตั้งรับเวลามันบุกเข้ามาครั้งหนึ่งเมื่อยังอยู่ในหน่วยก่อกวนของทหารกระเหี่ยงอิสระผมเคยลอบเข้าไปก่อวินาศกรรมคลังแสงและค่ายทหารของพมา่าอดีตร้อยโทกองโจรกระเหี่ยงพูดแผ่วต่าแช่มช้ารูปมือทั้งสองเขาหากันไปมาหน่วยของผม ใช้ระเบิดไนโตรมัดติดกับลำของลูกธนูตั้งสายชนวนระเบิดสิบวินาทีต่อระยะที่หมายทำลายห่างราวห้าสิบหิเมตรเราย่องเข้าไปจนได้ระยะยิงจุดชนวนขึ้นแล้วยิงลูกธนูให้เข้าไปปักอย่างที่หมายต้องการที่ไหนก็ที่นั่นพินาศเป็นจุนมหาจุนแม่นยำและแน่นอนยิ่งกว่าใช้ระเบิดมือคว้าง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 และพินลืมตาโพรง่งหน้าแดงขึ้นด้วยความตื่นเต้นปิติเหลือที่จะกล่าวแทบจะ ก, กระโจนเข้ากอดแง่รายไว้ร้องรั่นออกมาสำเร็จแง่ายให้ตายเถอะฉันไม่นึกเลยว่าแกจะมีความคิดได้วิเศษถึงเพียงนี้ในโตแต่ละลูกที่เราจะส่งติดกับลูกธนูเข้าไประเบิดมันมันมีอำนาจเสียยิ่งกว่าลูกปืนขนาดจุดหหลายเท่านักและเราก็มีระเบิดในโตมาพร้อมลูกลูกนึสามารถระเบิดหินได้หลายตัน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 ระหว่างฝ่ายหนึ่งนายทหารกองโจรผู้ผ่านงานวินาศกรรมมาอย่างโชคโชนแล้วกับอีกฝ่ายหนึ่งนายตำรวจตะเวนชายแดนผู้ชํานาญในด้านสปาวุธและระเบิดแววตาของรพินแจ่มใสขึ้นในทันทีนั้นจับแขนแง่ทายบีบแน่นตกลงเป็นอันว่าแกกับฉันเป็นหน่วยปืนใหญ่อย่างว่านี่แกเป็นพลยิงฉันเป็นพลบรรจุ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 สำหรับลูกธนูที่พาระเบิดไปด้วยละพินกะคำนวณข้าวๆแล้วเบ้ปากยิ้มฝืดๆฉันเคยมีความรู้งูงูงปลาปาเกี่ยวกับการยิงธนูอยู่บ้างเหมือนกันธนูที่ฉันเคยยิงน้ำหนักเพียงหกสิปอนด์เท่านั้นรูปร่างข้อลำขนาดฉันยังเหนียวสายมันไม่ค่อยไหวถ้าเจอขนาดแปดสิบปอนด์เข้าไปก็คงตึงสายของมันไม่ขึ้นเลยคนจะยิงธนูขนาดอย่างแกว่านี่ได้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 ตามปกติเราเหนียวสายธนูเล่นเฉยๆจะรู้สึกว่ามันหนักมากถ้าไม่มีแรงดึงให้คันธนูโค้งลงมาได้แต่เมื่อเป้าหมายสำคัญรอคอยอยู่เบื้องหน้าเมื่อลูกพลาดพร้อมอยู่ในสายและสำคัญที่สุดเมื่อมีไนโตรผูกติดอยู่กับดอกธนูด้วยเช่นนี้แม้ผู้ก่อจะคิดในครั้งแรกว่าไม่สามารถเหนียวสายยิงได้ขั้นถึงเวลานั้นเข้าจริงก็ต้องยิงจนได้เองอย่างน่าประทใจ ผู้กองย่ําจะรู้ดีอยู่ว่าถ้ายิงธนูลูกนั้นไม่ไปมันก็จะระเบิดขึ้นฆ่าเราเองพรานใหญ่มองดูแง่สายตาเป็นประกายเลื่อมใสเขาเห็นด้วยกับถ้อยคำของเจ้าชาวดงพเนจรพันยักษ์หน้าช้าๆคลางออกมาอืมมันน่าจะจริงอย่างแกว่านั่นแหละอีกอย่างหนึ่งแกก็เป็นคนรูปร่างใหญ่โตแข็งแรงอยู่แล้วฉันเชื่อว่าแกคงยิงมันได้อย่างสบายโดยอาศัยความชนานาญที่มีมาก่อนด้วย แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นหัวเราะหึห่ๆในลาคอแกนี่มีอะไรดีๆซ่อนอยู่ในตัวชนิดที่คิดไปไม่ถึงเสมอเลยนะพิษสองรอบด้านเกินเชื่อทีเดียวเสียอย่างเดียวที่ต้องแคไคากันออกมาแกถึงจะยอมขยายนี่ดีที่ฉันปรึกษาในเรื่องนี้กับแกขึ้นถ้าไม่งั้นก็คงเก็บเงียบอยู่นั่นเอง